ต่างทำต่อเอกเพื่อยับเือนกันเพื่อจะได้ไม่ประมาทชีวิตของเราประมาทไม่ได้ทุดลองไม่ได้บางทีเราอาจจะใช้ชีวิตผิดผิดมาให้รู้จักวิธีการใช้ชีวิต พอให้หลงพอให้โกรธ่อให้ทุกข์พอให้โศกป่อให้โลภพอให้วิตกกลางวันเศร้าหมองมันผิดนั่นก็เลยเป็นกรรมหลงจนตายโกรธจนตายทุกข์จนตายนัก็มันก็เป็นทุกข์ก็ยังง่ายเปลี่ยนไม่ แ, แก้ไข บางทีอาจจะพอใจในความทุกข์ความโกรธความหลงหาเรื่องที่จะหลงโดยความคิดบ้างปัจจัยต่างๆบ้างโอ้เนี่ยมันใช่ผิดจงมาจึงมาศึกษาดูว่าอะไรมันผิดมันถูกชีวิตของเราเนี่ย ความหลงมันถูกไหมความไม่หลงมันถูกไหมความทุกข์มันถูกไหมความไม่ทุกข์มันถูกไหมสัมผัสตัวเรียกว่าปฏิบัติธรรมเอากายไปสัมผัสเอาใจไปสัมผัสใต้คำตอบตัวเองให้เราเป็นเราก็เป็นโจทย์ตัวเองเป็นจำเลยตัวเอง เราควรเชื่อเป็นพิพากษาตัวเองบ้างให้มันพ้นปัญหาต้นโจดพ้นเป็นจำเลยซะหลงที่ใดก็เป็นหลงด้เป็นจำเลยความหลงทุกที่ใดก็เป็นทุกเป็นยาเลยของความทุกโจดตัวเองหาความทุกข์ใส่ตัวเองหะเหงาใส่ตัวเอง วิภาคษาเรียกว่าปฏิบัติธรรมจะเริญสติเปลียนน่ยนน่ปฏิบัติคือเปลี่ยนเน่เตี่ยนหลงเป็นไม่หลงเนี่ยิภาคษาจมผัดดูมันจะต่างกันไหมโดยวิภาคษาตุลาการสติปัฏฐานตักปฏิบัต ทำบรลมกักดังที่ได้แสดงไปไม่เช่านี่วิธีการดเนินชีวิตทฤษฎีดาเนินชีวิตที่ถูกต้องไปถึงจุดหมายปลายทางได้นมีทางอยู่พระพุทธเจ้าตัดสลูดแล้วก็วัดขึ้นแล้วในโลกนานมาแล้ว พร้อมธรรมธรรมคำสอนอันเป็นไปเพื่อทางออกจากปัญหาต่างๆแล้วก็มีปัญหาถูกปัญหาครอบงำมีปัญหาเป็นบ้างหน้ามีความทุกข์เป็นบ้างหน้ามีความทุกข์อย่างเอาแล้วเกิดเจ็บเจ็บตายเล้นใครก็มีแต่ร้องไห้เสียใจในความเจ็บความเจบความตายเป็นทุกข์ เราจะต้องยอมรับหรือเนี่ยพิภาคษาเลยมันมีเมื่อเกิดมีไม่เกิดเมื่อแฉมีไม่แฉมเมื่อเจ็บมีไม่เจ็บเมื่อตายมีไม่ตายต <rim> yes? มันมีอยู่อย่างนี้สิทธะเราเป็นโจทย์ตัวเองเราเป็นจำเลยตัวเองพิภากษาแถวอ ง, วองจดพ้น จากการเกิดแจ่เจ็บตายชาติชลาลบลนั้ได้เน <c oughs> ี่ยมีอริยสงฆ์เกิดขึ้นตัดูะลู้ตามพทธเจ้าจำนวนมากจนเกิดธรรมวินัยขึ้นมามาถึงพวกเรานี้สติที่เราสร้างอยู่นี่กับสติที่พทธเจ้า สร้างก็อันเดียวกันไม่ใช่หนีไปไหนอยู่ที่ตัวเรานี่จ่เริ่มซา ท, ที่จะเ<จ>หนือจิตเรานี่ก็เหนือการเกิดเจ็บเจบตายก็คือต้องแต่ต <c oughs> เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงไปมีไหมมันมีหลงไหม ถ้าไม่มีหลงก็ไปสอนคนอื่นให้เขาไม่หลงด้วยอย่าอยู่คนเดียวถ้าเรื่องยังมีหลงอยู่ก็ตลองดูมัดตัวเงลองดูออถ้ามีหลงอยู่ก็นั่นแหละจะได้มีงานทําจะได้ไม่หลงโดยเพราะกรรมฐานจะเจอ ต่อหน้าทันทีสติเวลามีสติจะเจอความหลงไม่หลงอย่างใดก็หลงอย่างหนึ่งนั่นแหละกระตือรือร้อนชักต่อเปลี่ยนมันซะให้มันรู้อาศัยรูปแบบกรรมฐ า, านนี่กายานุปจนนามิสติไปในกาย เอากายเป็น l ิมิตเสียก่อนตั้งไม่เสียก่อ น, เ อ, นเอาสัยบรรทัดเสียก่อนเอาสัยเครื่องหมายเสียก่อนเมื่อนเราเดินไต่สะพานไม่ท่อนเดียวต้องจับลาวไปก่อนถ้าไม่จับมันจะเซยลงไปตกสะพานหลง ก็จึงมีกายแล้วกายมันก็ทําให้หล ง, ลงไม่หลงเรื่องกายอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายเรี<ง>กกยกว่าอาการต่างๆมีมากอย่าหลงบางทีมันรอดมันหนาวมันปวดมันเมื่อยก็อย่าหลงมันหิวมันอะไรฉกมันทุกข์ก็อย่าหลงอะไรที่เกิดกับกายอย่าหลง ตังต้นให้ได้อย่างนี้ก่อนหัดเรียนหัดฝึกอย่างนี้ก่อนมันจึงจะเลื่อนชัดได้นั่นจะชำนานแตกฉานเหมือนเราเรียนปฐมโอไก่ขอไข่แล้วก็แตกฉานจนเป็นครูไอาจางของคนดูเรื่องตัวหนังสือเขียนมีความหมาย ให้เราปฏิบัติตามตัวหนังสือแล้วก็เราก็ใช่มาถูกต้องใช่ได้สองห้าก็เป็นสิบถูกต้องสองห้าเป็นยี่สิบไม่ถูกต้องนี่เราเรียนมาเป็นโสดโสดชีวิตเราก็มีโสดถูกต้อง กายสาวกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นอเอาเอารหัสไปก่อนเอาคำสอนพระเจ้ามาช่วยเจอก่อนแม้ยังไม่ลงตัวก็ก็ว่าไปก่อนเหมือนเราท่องสูตรคูณสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสามเป็น6ก ต้อได้แลกไปทคำคณิศาสตร์เขียนวิธีทำแล้วก็เขียนได้เขียนลงไปแล้วก็เราก็ท่องหลอกสูตรที่เราท่องมาเฉลยนั้นก็เปลนไปได้กายชะวะกายไม่ใช่จัดบุคคลโตตนโลเขา น, น, นั่นเฉลยไปก่อนเมื่อมันเกิดขึ้นทีไรเฉลยไปก่อนจากเนี้ยนั่นก็จะชนานาญขึ้นมันถูกต้องที่สุด เห็นกายสวกายยาวความร้อนความหนาวเป็นตัวเป็นตนเอาความหิวควมามปวดความมื Donald, ม่ยเป็นตัวเป็นตนกู้มันก็มันก็ไม่เฉลยเลยเป็นการบ้านเป็นจำเลยอย richten, ู่เช่นนั้นเป็นสุขเพรากายเป็นทุกข์เพราะกายอกกายมาเป็นสุขอกายมาเป็นทุกข์แต่แต่เขาจะสั่ง มันก็เลยไม่พ้นการเกิดเจเจ็บตายเกิดดับเกิดดับอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วไม่พอเกิดอีกต่ออีกหลายชั้นเรื่องกายเน่ยต้องหาอะไรที่แจ้ไขมันก็แจ้ไม่ได้ก็เราไปทำตามมันมันไม่จบไม่สิ้น เราจะมาศึกษาดูซิมาจะเห็นนิมิตเห็นกระแสผู้ทีท่จเจริญสติปัฏฐานนี่มักเห็นกระแสแห่งพาะในผ่านเวลามันหลงมันมีไม่หลงกระแสเวลามันโกรมันมีไม่โกรธกระแสนั่นแล้วเวลามันทุกมันมีไม่ทุกข์กระแส แม่วาลิบลีก็แลกไปก่อนมันจะพบทางอ่านก่้งใหญ่ไปสานเหมือนไฟตามตึกอาคารต่างๆกะบอกทางออกน้าไฟบันดาบถ้าหลบไฟต้องวิ่งออกได้แม่วาลิบลีก็ไปเถอะมันยังไม่มากตติยังไม่มากแต่ก็ใช่ได้ แต่พยายามทำให้มากมันยิ่งเข่ได้การทำให้มากว่าภาวนาขยันลู้เนี่ยพิชากามฐานสติปัฏฐานสีกายานุปจนนาบับพระต่างๆเยอะแยะในกายเคลื่อนไหวก็เป็นบัพระตังกายกายบับพระหายใจเข้าก็เป็นกายบับพระ แต่บัญชิตก็เป็นจิตต บ, บพะเอามาใช้ให้รู้ได้เยอะแยะเลยแต่ก่อนที่จะไปดูจิตต้องหัดให้มันดูกายเชโกนให้มันเห็นให้มันแก่ข้าถ้าฝึกใหม่จะไปคุมจิตเลยมันก็ยากบางทีอาจจะเป็นอ่า เป็นความกลัวไปเลยมันยากทำยากไปเลยถ้ามาหัดกายก่อนมันก็ค่อยอ่อนลงอันจิตก็ง่ายละวะนะันเราจึงหัดถ้าไม่หัดมันไม่เป็นไม่ใช่รู้ไม่ใช่สมองหรอกกรรมธานมั น, นมต้องใช่สมอง เป็นการกระทำประกอบเอาสติมันจะเกิดเพราะการประกอบไม่ใช่ความคิดไม่ใช่เหตุผลประกอบยังไงเอากำมาฐานเนี่ยเคลื่อนไหวมือบ้างหายใจบ้างให้มีที่ตั้งหนัดตั้งไว้ถ้าไม่ตั้งไมมีที่ตั้งมันไหลไปข้างหน้ามาไหลคืนข้างหลัง มันมีข้างหน้ามีข้างหลังข้างหน้าก็ไม่จริงข้างหลังก็ไม่จริงปัจจุบันนี่มันจริงทำอะไรได้พวกนี้ก็มีอ ย, ไไอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้เมื่อวานก็มีอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้ทำได้คือเดี๋ยวนี้ถ้าเดี๋ยวนี้เ <c oughs> <c oughs> ราลู่ มันจะมีพรุ่งนี้มันก็รู้เมื่อวานนี้ก็จะรู้วันนี้มันเป็นเมื่อวานไม่เป็นพรุ่งนี้ด้วยการรู้จักตัวปัจจุบันเนี่ยมันป้องกันวันหน้าด้วยมันแจ้ไขวันก่อนๆด้วยมันใช้ชีวิตผิดพลาดมาเราจะกลับไปแคบเมื่อวานไม่ได้ต้องเอาเดี๋ยนี้นี่เรือการมฐานเป็นปัจจุบังเป็นปัจจุบันเช่ก่อน อยู่ที่ไหนให้อยู่นั่นอยู่กับกายลองดูโดยการยกมือสร้างจังหวะสิบทีจังหวะจังหวะหนึ่งอาจจะวินาทีหนึ่งเลยไม่ชาเกินนั่นหรือไม่ไหวเกินนั่นอพอดีพอดีรู้ทุกวินาทีมันจะชำนานขึ้นนี่เลยว่าพิพากษาเรียนรู้ ให้มันป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขถ้ารูปเป็นทุนเหมือนตาที่เรามีลืนไว้ก่อนมันชึคจะเห็นตาในคือสตินี่ลือนไว้รู้ไว้อะไรที่มันเกิดขึ้นสติมันเห็นเม่กระทั่งรูปทมนามธรรมเห็นอารมณ์เห็นความคิดเห็นดาการต่างๆหลอกตัวเองไม่ได้ อาจจะหลอกคนอื่นได้จะหลอกตัวเองไม่ได้เป็นชัจจธรรมจึงหัดต่อไปเราจะอายความหลงอายความทุกข์อายความคิดคิดอย่างนี้ก็คิดได้หรืออายแม้กระทั่งวันคิดแล้วก็ใจเกิดฉินเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมา เกิดการชักรวมทังบอลเองเป็นลั่ไปเองเหมือนธรรมานาครที่พระเจ้าทรงแสดงศีลเป็นลั่ศรัทธาปียติอวิเป็นเสลเนียดที่พระเจ้าแสดงไว้ อะไรจะไม่ได้ยานปัญญาที่เกิดจากวิชนาเป็นป้อมบาการสติปัฏฐานจะชมทางที่แยกอย่าหลงชมทางชีชีแยกกายานุปัชนาอย่าหลงเวทนานุปัชนาอย่าหลงเป็นฉุกเป็นทุกข์กันนะอย่าหลง จากว่าเวทนาคิ ด, คดอีกแกกท่สามันคิดจเนึกว่าตัวเองคิดอะไรก็ทำตามความคิดความคิดมีสองลักษณะคิดแบบตั้งใจก็ไม่ควรตั้งใจเวลาทำกรรมฐานไม่เป็นเรื่องเดียวก่อนคิดที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นละ่ะเปลี่ยนทันทีจะให้โอกาสมัน แต่ก่อนก็ขึ้นว่าฝันกลางมันมาชิดกลาขึ้นเป็นควันกลาวันเป็นเปรวมันไหลสันตติเกิดขึ้นไหลไปเกิดตับเกิดดับมันน้ำที่มันไหลจิตใจของเรามันคิดอย่าให้ความคิดมันสั่งงานสั่งการให้มีสติจับความคิดมาใช้จะให้ความคิดมันใช้เรา กานิดกาที่มันคิดอนานชักแต่ว่าจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าเอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับจิตให้จิตเปาเป็นโศกเป็นทุกข์เสียเปียบมันเสีย <c oughs> เปียบความโศกความทุกข์คิดขึ้มานอนไม่หลั บ, ลบคิดขึ้มาน้ำตาไหลแค่นี้หรือเปาะาบางที่สุด<า>เราจะมาเห็นมันจิตสว่าจิต่ะร เป็นทางแยกอยีกันหนึ่งอย่าหลงทำจะว่าทำข้อที่ทางแยกที่สี่สี่แพง่งสี่แพง่งเปความงงหอาหาอ่อทอนความหลงเลสสงสัยความชิดพุงช้านการ ม, มารคะปฏิฆะมานาทิฏฐิเป็นธรรมไปครอบความชีวิตของสัตว์โลกอย่าหลง มันเป็นธรรมสว่าธรรมเฉยๆไม่ใช่ตัวใช่ตอนอะไรบางทีก็มีความสงบอย่าไปหลงมีความสุขก็อย่าไปหลงไม่หลงไม่ทั้งสุขไม่ทั้งทุกข์ให้เห็นเฉย ๆ, ๆอย่าเป็นนี่ชุมทางอย่าหลงสติปัฏฐานน่ะเป็น เป็นความชำนาญในการเดินทางให้ผ่านเป็นทางผ่านไปเอาความหลงไว้หลังเอาความโกรธไว้หลังเอาความทุกข์ไว้หลั ง, ม, ลงมันก็ก้าวหน้ามัมีความสาเร็จได้มันเป็นไปได้ให้ผลได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จากัดการ ผู้ปฏิบัติก็ย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้คนเห็นตามทุกครแก่ผู้ปฏิบัติใครเกิดคาดก็ไม่รู้ใครขยันก็รู้มากขยันรู้วันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวินาทีหนึ่งลองดูซิมันจะมากรู้มันเป็นภาวนามันจะมากขึน้น นนาทีละลูกเ่้ามองก็สามพันหกร้อยวินาทีสามพันหกร้อยลูกมันก็จะเป็นมหาลูกหรือว่ามหาสติปัฏฐานเมื่อลู้มากความหลงก็น้อยลง <c oughs> เมื่อหลงมากความลูกก็น้อยลงตอนนี้อย่างนี้เป็นคู่อย่างนี้เด้แล้วก็ทำได้ ฝึกัดอย่างนี้ไปก่อนอย่าไปประเมินตัวเองเอาเรื่องการสัมผัสเอาเรื่องการพบเห็นมาไม่ใช่คิดเห็นปฏิบัติธรรมระการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นคิดเห็นมาอยู่ไกลพบเห็นมาอยู่ต่อหน้าเนี่ยเวลาเปลี่ยนหลงไปร่วมโอ้ยมันชื่นใจ เปลนโกรธเป็นไม่โกรธมันชื่นใจเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์มันชื่นใจมันเป็นความถูกต้องที่สุดไม่เคยดูแลตัวเองปล่อยตัวเองที่ยงไปพ <Right. S 1> อมาทํางานวันนี้เขา้าโอ้รออยรู้สึกว่ากระตือรือร้นวันหลงทีไรเราเชื่อว่าขนหัวลุกมาละ แค่นี้ก็หลงแล้วมันทุกข์ก็ยิงเห็นชัดยิ่งมันโกรธตอ้ยพอใจเหมือนกัสองกระจกเงาเห็นหน้าตัวเองรีบเหมือนไปตกใจขารีบปัดออกตอนความโกรธที่เกิดกับจิตกับใจเรามันรีบบอออกเปลี่ยนเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนเป็นความไม่ไมมไมทุกข์เนี่ยมันถูกต้องที่สุดไม่ใช่ว่าถ้าแต่โกรธแล้วไม่ลืม ถ้ากูได้โกรธตายไม่ลืมไม่ไม่ใช่คิดแบบนั้นเราเคยทําตามความโกรธเคยทําตามความทุกข์เคยตามความรักเคยตามทําตามความเกลียดชังเสียเปียบความโกรธเสียเปียบความทุกข์เสียเปรียบความกเกลียดชังทําตามกันเกิดการทะเลาะกันแต่แคกก็ให้ความโกรธสั่ง มันก็ไม่มีอะไรมันไม่มีตัวไม่ตนนะอันความโกรธมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนอันเราจงมาลื้อึ้น嘛ว้องพิภากษาชนะได้ชิตังเมชนะแล้เว้ยจางคนชีเสืออยู่นะ่ะน้าวาดนะัดะเสือมดาดูแล ในจั ง, จงชีวิตของเราเนี่ยมันก็ดดร้ายนะน่ากลัวอะไรก็มาก่าน่ากลัวเท่ากับคนถ้าเป็นมนุษย์ก็พอเพิ่งได้คนมันปนเปคมร้ายคมดีถ้ามนุษย์นี่สูงขึ้นมาหน่อยอะหลงเป็นหลงเรียกว่าคนทุกข์เป็นทุกข์เรียกว่าค น, ก น, กกาคนโกรธเป็นโกรธเรียกว่าคน รักเป็นรักคนพอใจไม่พอใจเป็นคนถ้ามนุษย์เขาไม่ไมเขาไม่หลงตรงนี้น ม, มันหลงเหตุมันหลงไม่เป็นผู้หลงเป็นมนุษย์ไม่ใช่สองขาสองแขนมันบ่งบอกถึงจิตอิน ญ, ญาที่มันพึกหัดมาล้ว เ, เปลี่ยนเนี่ยมนุษย์ มนุษย์เท่านั้นที่เป็นพระได้คนเป็นพระไม่ได้มีแต่เป็นตกตโลกภากเหมือนกับขนของโคถ้าเป็นคนน่ะแต่เป็นมนุษย์ตกตโลกได้น้อยเท่ากับเขาโคเพราะเขาเห็นเขาไม่เป็นมันทำได้อยู่เพีนหลงเห็นมันหลง ไม่เป็นผู้หลงพุ่นจัความหลงนั่นก็ได้ประโยชน์ได้ปัญญาปัญหาเป็นปัญญาไปปัญญาเกิดแบบนี้ปัญญาพุทธปัญญา ก, การทัดสูของพทธเจ้ามีอยู่กับเราทุกชีวิตแล้วามทุก เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์กพ้นจากทุกข์ตั่นละมนุษย์ไปแบบนี้เป็นไปเพื่อความุดพ้นเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปรญญานิพพานพระธรรมคำสอนเป็นไปเพื่อต่างออกจากทุกข์ เป็นไปเพื่ความสงบเป็นไปเพื่อปัจจินพิพานปัจจินิพานคือมันหมดตอนที่ความรอ้จักหมดไปเลยก็โกรธจะหมดไปเลยความทุกข์อาจะหมดไปเลยไม่มีเชื่อเลยเราก็พึ่งพาใส่กันได้เราก็พึ่งได้พึ่งตัวเองได้แต่ลานี่เราพึ่งตัวเองไม่ได้นะไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้จะเป็นจังไร คุ้มไร่คุ้มดีอันตรายเพราะอะไระเพราะมันยังเป็น จ, จำเลยเขาอยู่แล้วแต่เขาจะสั่งเขายังเป็นโจทย์เราอยู่ไม่เคยพิพากษาตัวเองให้ให้ใหหมันพ้นไปพึ่งตัวเองก็ไม่ได้มีใจก็พึ่งใจไม่ได้ <c oughs> เอาความสุกความทุกข์ไปห้อยไปแฉันมากับใจ เอาความสุขความทุกข์ไปห้อไปแขนกับกายมันใช้ได้เมื่อไหร่เหมือนเอาเอาศัยอันเดินเป็นนิมิตต้องเป็ น, ปนอัตตาอัตานาโถต้องไม่เป็นอะไรชีวิตของเราไม่ต้องเป็นอะไร เ, เห็นทุกอย่างเนหนือโลก เพราะโลกมันมีอยู่จริงทุกข์นินทาฉันเฉินได้เสียมีนี่รถของโลกแสบเผ็ดมากนินทาก็มีฉันเฉินก็มีได้ก็มีเสียก็มีสุขก็มีทุกข์ก็มีถูกโลกในครอบงำชัดโลกอยู่ แต่ถ้าเรามาเห็นน่ะมันจะไม่ไม่ถูกโลก น, นี้ครอบมาเหนือโลกโตเห็นแล้วความไม่เที่ยงก็เห็นแล้วองอกงไปความไม่เที่ยงมันไปความเป็นทุกข์ก็เห็นแล้วงอไปความเป็นทุกข์มันไปไม่ใช่ตัวเป็นไม่ใช่ตัวเองเป็นผู้ทุกข์ไม่ใช่ตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะความไม่เที่ยงไม่อยู่ เทไหนเทอะไรมามาถูกข้องมามแล้วกัเป็นทุกข์อย่างเอาแล้วความไม่เที่ยงอย่างเอาแล้วความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงเป็นนิพพานไม่ท้องเป็นทุกข์กัวเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่ความเป็นทุกข์เป็นนิพพานไปเลยทูเจ้ารู้อย่างนี้ทำได้อย่างนี้ นั่นแหละเป็นทางพระในาพานอย่าเป็นทุกข์ผู้คมเป็นทุกข์มันจบไปซะตื่นแต่เดึกจึกแต่หนุมจะได้มีชีวิตอยู่อิสระภาพไม่มีภยัยชีวิตไม่มีภยัยเขาเรียกว่าอาเรียเมตตาย เรียกได้ว่าบุติพน้นภัยจะเรียกว่าพระอะไรก็ได้น่มันเป็นสมบัติของเรานะีถ้ายัางหลงเป็นหลงเสียชาติแล้วไม่ได้ผลเรียนถ้ายัางโกรธเป็นโกรธอยู่ทุกข์เป็นทุกข์อยู่ ไม่มีประโยชน์เลยชีวิตเราเราจึงต้องฝึกตนสอนตนเตือนตนพิพากสาตัวตนดูเสมออย่ายอมไม่หลงไม่ต้องหลงเกลียดหลงไปไม่หลงเริ่มกรรมาฐานเปลี่ยนไปไนก่อนจะหนกเปลี่ยนมาเป็นเหงอดเป็นหมู่ความหลง พอไม่หลงก็มาเป็นหมวดเป็นหมู่เหมือนกันมีสติที่ใดก็รับความชั่วมีสติที่ใดก็ทำความดีมีสติเมื่อไใดก็จิตบริสุทธิ์ง่ายๆไม่ใช่ไปคุมโน่นคุมนี้ปฏิบัติธรรมไม่เหมือนจับปูเสกกระด้งนะที่เขาพูดแบบนั้นนะไม่ใช่เป็นนักกรรมฐานปฏิบัติธรรมมันง่าย ทำได้ง่ายถ้าจะให้หลงมันยากนั้นไม่ถูกเพราะมีสติก็รับความชั่วแล้วมาเป็นพวงแล้วความถูกต้อง ม, มาเป็นพวงรับความชั่วแล้วทำความดีแล้ว การละความชั่วกันทำความดีการนำจิตบริสุทธิ์ก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วเหมือนกับเรียบเช่นทางแล้วดำเนินไปทางมันจะพาไปแต่ทางที่จะพาไปมาใช่ทางจะให้แหลเราไหลไปเหมือนทางไฟฟ้าต้องก้าวไปเตือนหลงไปรู้ในก้าวไป ข้ามหลงไปรู้ละผ่านไปแล้วไกลออกไปไกลออกไปแต่ผู้ไกลจากข้าศึกไม่มีข้าศึกเปลี่ยนล่ายเป็นดีเปลี่ยนล่ายเป็นดีเ ป, น เ, ปนดเปลี่ยนผิดเป็นถูกไปปฏิบัติธรรมเป็นแบบนี้สติปัฏฐานเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไปท่องจําเป็นการสัมผัสมันเป็นการหลุดพน้นมีคําตอบเอาเองไม่ต้องไปถามใคร เวลามันหลงเปลี่ยนหลงไม่หลงไม่มีคําถามการเปลี่ยนหลงไม่หลงไม่ต้องขอรเลือดจากใครทาได้เองทําได้เลยสิทธิสิทธิีร้ยเปอร์รามันโกรธเรมีสิทธิไม่โกรธเลามันทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์นี่สิทธิของเราใช่สิทธิของเรา แต่ว่าทำมาเทพไตอิจราภาพโปรดปล่อยตัวเองและตกเป็นท่าของจิงเหล่านี้ถ้าจิตเหล่านี้หมดไปความโกรธความโลภความหลงหมดไปกุศล อ, อื่นความดีก็เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นถ้าอากุศลนี้มีความโกรธความโลภความหลงมีอกุศลอื่นที่ยงไม่เกิดก็เกิดขึ้นเป็นบาป เป็นทุกขึ้นไาแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เท่านั้นเองเหมือนกับเราจะทำอะไรแค่คำผิดมันจึงเป็นถูกแต่ไปแก้ตรงที่ผิดมันก็ไม่ถูกสักทีหรอกผิดอยู่เรื่อยไปหลงเรื่อยไปถ้าเราฝึกตนสอนตอนอย่างนี้ ความหลงเป็นขั้งสุดท้ายความโกรธขั้งสุดท้ายความทุกข์าั้งสุดท้ายความโลภเป็นขั้งสุดท้ายมันมีขั้งสุดท้ายด้วยนะมันจบเป็นชีวิตของคนเน่ยเตียนจบเลยนั้นพระเจ้าว่าชาติสึ้นแล้วพะมจันยู่จบแล้วกิดอื่นเที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบแล้ว จะเป็นยังไงคิตของเราทีุ่ดก็คือไม่เป็นละลายกับอาลัเป็นมงกุฎ ธ, ธรรมสูงสุ ด, สดมงกุฎ ธ, ธรรมเนหนือทุกอย่างเพราะเห็นทุกอย่างที่เกิดกับา่ากับใจไม่มีหลบรี้ที่ไหนเราลุทะหลวงในบทมันเรียนจบได้ไม่ควรจะมีปัญหาอะไร เดี๋ยนี่ปีเป็นหาเพราะกายเพราะใจจนสร้างคุกสร้างตลางจนมีกองทัพมีตัวบทกฎหมายให้คนบางปฏิบัติธรรมกฎหมายแล้วค่อยไปจบไม่ชิ้นถ้าเรามาดูตัวเองเนี่ยมันก็จบนับหนึ่งจากเรารู้ชิประเทศไทยมีคนประชากรอยู่ หกสิบกัวล่านคนทุกคนเริ่มต้นจากตัวเราเนีงมันก็จบได้เปลี่ยนหลงไปไม่หลงลองดูทำไมในนี่ยมันทําให้เราเป็นคนคนเดียวกันได้เมื่อเรามีสติเรานั่งอยู่นี่เป็นคนคนเดียวกันเลยถ้าเราหลงก็เป็นคนเลาะคนกันไปมดันจันีนะธรรมะเป็นของอจจจันจริงๆ คำสอนพระเจ้านาะปฏิบัติได้ให้ผลได้จริงๆงนะไปเอาอะไรไปคิดอะไรใช้สมองเรื่องไหนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้โซ่ไม่แก้คุณแกไม่ไขมันก็ไปไม่ได้ไขตรงนี้แก่ตรงนี้หลุดไปก่อนหลุดไปก่อนมันก็จะเป็นไปได้ง่าย โดยเพราะเรื่องกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยน่าดานแยกเลยเนี่ยก้าวแรกไปเลยของพวกเราทำไว้ถ้าเห็นปัญหามันก็ดีแหะมันผิดตรงไหนจะได้แก้ไขเหมือนนักส้อ ม, ม น, นักส้มถ้าเขาเห็นคอันที่มันเสียเขาแก่น่ะเหมือนคนป่วยไปหาหมอ หมอวิทย์ัยโรคออกมันอยู่ตรงนี้แ่แค่เอายามาใส่ตอวตาป่วยเหมือนกันกว่าที่จะ ว, วิทย์ไยโรคดีโรคได้ต้องหลายวันทำหลายแบบจนไปพบโรคหอให้ยาก็หายได้ พ้นจากโลกโลการที่จะปฏิบัติธรรมก็เช่นกันพ้นจากโลกได้โลกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพ้นได้จึงช่วยตัวเองใครก็ช่วยเราไม่ได้มันอยู่ที่นี่หละมันหลงอะ มันคือแค่ตรงนี้เราในมันเคยถกรอยอะไรมามีรอยลักรอยแชน่นรอยสุกรอยทุกรอยได้รอยเสียเต็มไปหมดเลยเหมือนรถเือสองมาซ่อมมาเข้าอูวันหลงก็รูนะ้น่ะซ่อมแล้วมันโกดันทุกมันคิดไปก็รูนะ้นซ่อมขึ้นมาให้มันดีขึ้นมา มันทำได้ปฏิบัติตาจนมันไม่มีนี่คือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือเปลี่ยนล้ายเป็นดีตูแลตัวเลงดูแลกายเรือใจของเรามีสติเป็นเจ้าของยอมปล่อยตัวเองทิ้งรู้จักช่วยตัวเองอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมดีดีชอบที่สุดเป็นความชอบที่สุด ตกตนสอนตั่วช่างสปัตผูช่วยหัวลและวิ่งไปกระแชเอาไว้ทั้งข่าวที่จะจนมาจะใช้ได้แล้วมันแก่ทำไงเวลาเก็บทำไงเวลามันตายทำไงอาจไปก่อนไปช่วยกันเวลามันก็จะตายมันทำไม่ได้มันไม่ฝึกเอาไวา้ยามโผเราฝึกยามฉึกเราลบได้จบกควรแก่เวลา กับพระพร้อมกัน